ที่าาศาลาไตรสิขาล่ะที่นี่มีครูบาอาจารย์มาพูดธรรมะเยอะหลากหลายล้วนแต่ผู้ที่มีภูมิจิตปูมมธรรมทั้งเป็นพระเป็นคารวะมาพูดธรรมที่นี่ นี่ถ้าศาลามีชีวิตจิตใจเนี่ยคงจะบรรลุธรรมไปแล้วเนาะนั่นศาลาไม่มีชีวิตจิตใจนะใยธรรมที่มาบ่อยๆมาฟังเป็นประจำเนี่ยมีชีวิตจิตใจมีสิทธทิเข้าถึงธรรมได้ในขณะที่ฟังธรรมบางทีอาจจะไปคลิกคําพูดของพระอาจารย์รูปใดรูปหนึ่งก็ได้ ที่นี่เป็นอะไรบ้านคนจิตสบายบ้านคนจิตสบายนักคนที่จิตสบายเนี่ยเป็นจิตที่มีโอกาสที่จะเห็นธรรมะได้ถ้าจิตไม่สบายเนี่ยมันมืดหมดจิตสบายคือจิตที่ผ่อนคลายจิตที่ผ่อนคลายนั้น ไม่ใช่จิตที่ไปคิดปรุงแต่งอะไรอยู่กับปัจจุบันถ้าเราอยากให้จิตสบายเนี่ยเราต้องอยู่ในภาะวะที่หยุดคิดปรุงแต่งอะไรสักระยะหนึ่งจิตสบายคือจิตที่ไม่มีความคิดปรุงแต่งเป็นจิตว่าง เป็นความรู้สึกล้วนๆที่ไม่มีความคิดก่นแท้ของจิตคือมีแต่แค่ความรู้สึกเข้าถึงความรู้สึกให้ได้เถอะที่ไม่มีความคิดนั่นล่ละเราจะได้พบความสุขที่แท้จริงอย่างในพุทธภาษิกล่าวไว้ว่า ธรรมชาติของจิตนี้ประพัดสอนผ่องสายยิ่งนักแต่มัวมองไปแล้วเพราะว่ามีอุปกเลสจอนมาแต่ว่าจิตเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับการปรุงแต่งนะการปรุงแต่งเปยนอุปกเลสที่จอนมาชั่วพักชั่วครู่แล้วก็จอนจากไป ในส่วนที่ปินจิตแท้ๆ เ, เดิมๆเนี่ยมันไม่ได้คิดอะไรมันดีอยู่ก่อนใช่ไหมว่างจากความคิดอยู่ก่อนอันนคือจิตแ ท, ท้แต่เดี๋ยววนะเดี๋ยวส่วนของความคิดก็ผ่านเข้ามาปรุงแต่งแม้ว่ามีความคิดมาปรุงแต่งจิตก็ยังเป็นจิตเหมือนเดิมนะ ใช่ไหมเป็นจิตเหมือนเดิมแต่ความคิดที่มาปรุงแต่งต่างหากที่เข้ามาบังจิตชั่วพักชั่วครูแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งเดียวกันพอเจ้าเข้าใจจุดนี้ไหมเหมือน แ, อแก้วน้ำสักใบหนึ่งก็น้ำเติมเติมแท้ๆเนี่ยมันว่างมันไม่มีน้ำ เราเอาน้ำเข้าไปใส่เอาน้ำใส่เข้าไปเนี่ยอาจจะเป็นน้ำสีขาวน้ำบริสุทธิ์ถ้าน้ำสีแดงแล้วก็น้ำสีสีอื่นที่มาปรุงแต่งเราก็เห็นว่าแก้วก็ยังเป็นแก้วอยู่น้ำก็ยังเป็นน้ำอยู่ใช่ไหมมันไม่รวมกัน เราก็เรียกรวมว่าแก้วน้ําแก้วน้ําใจเราก็เหมือนกันนะแม้ว่ามันจะมีความคิดปรุงแต่งอะไรมากมายก็ตามอันนั้นไม่สําคัญแต่จิตของเรามันก็ยังเป็นจิตที่เป็นปก ต, ติอยู่ก่อนแล้วมันคือจุดว่าเราจะมีคุณภาพมีสติมีปัญญาเห็นจิตที่มัน ไม่ได้ปรุงแต่งไปตามความคิดด้วยนเข้าถึงตรงนี้ได้เนี่ยตรงแรก้ความรู้สึกความรู้สึกล้วนๆเราก็ไม่เกี่ยวข้องกับความคิดอะไรตั้งหลายตั้งปวงเท่ากับเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในความคิดเ่านั้นแต่ที่เราเป็นทุกข์เพราะว่าเรายึดติดในความคิดคิดดีมันก็ทุกข์แบบดีนะคิดดีจิตเป็นยังไง จิตมันเหน็ดเหนื่อยไหมแต่มันเหน็ดเหนื่อยน้อยมันทนได้แต่คิดไม่ดีล่ะหัวเราก็เหนื่อยมากฝึดอัดกระวนกระวายใจสองอย่างมันเข้ามาสู่จิตใจเราแต่ถ้าคิดดีเรารู้ออกนั่นคือความคิดมันก็ไม่แน่นอนเหมือนกัน คิดไม่ดีเออนั่นก็คือความคิดมันก็ไม่แน่นอนเหมือนกันทั้งคิดดีและคิดไม่ดีนี่มีเสมอที่ความไม่แน่นอนเสมอกันตรงนั้นถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นทั้งสองด้านเราก็เป็นทุกข์แต่ถ้าเรารู้ว่าเออความคิดคือสวนความคิดความรู้สึกคือสวนความรู้สึกเราแบ่งแยก ต, ตรงนี้ได้เมื่อไหร่เราก็เราก็จะอยู่ในความรู้สึกล้วน แล้วก็ใช้ความคิดอย่างถูกต้องเพราะนั้นไอ้เรื่องความคิดเนี่ยเราเหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกเราต้องใช้ความคิดเราต้องใช้ความคิดทุกคนต้องใช้ความคิดในการดำเนินชีวิตทุกคนต้องใช้บางคนบอกว่าไม่ให้คิดมันไม่คิดไม่ได้ต้องคิดจะเป็นต้องใช้ แต่การใช้ความคิดนั้นต้องเริ่มต้นจากที่เป็นปกติไปคิดในสิ่งเหล่าต่างๆเนี่ยมันจะคิดได้ดีมากถ้าจิตที่วุ่นวายสับสนลองไปคิดดูสิมันก็ทำให้เราต้องสับสนหนักขวิดเราต้องตั้งต้นจากการจิตดีจิตที่ดีแล้วก็ค่อยไปคิดในสิ่งต่างๆ แต่ถ้าเราจะคิดนะถ้าเราจะคิดให้จิตมันสบายๆนะเราคิดในสิ่งที่ดีๆไว้ก่อนสิ่งที่ดีๆมีเยอะที่เราจะคิดนะ <c ười> คิดแล้วมีความสุขคิดแล้วมีกำลังใจเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกสบายจิตเลยนะเ <c ười> มื่อเราคิดดีเมื่อไหร่เราก็เราสบายจิตเมื่อนั้นเลย <c ười> มันรู้สึกมันจะผ่อนคลายกว่ามันจะแบกของที่ไม่หนักเบาสบายแถมจริงนั้นจะมีประโยชน์สำหรับเราด้วยอย่างเราคิดมองโลกในแง่ดีเนี่ยเรามองโลกในแง่ดีเนี่ยเราก็รู้สึกว่าสบายใจขึ้นมาเยอะเราเลือกได้เนี่ยความคิด <c oughs> จะคิดให้มันดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ถ้าอยากมีความพุกก็คิดไม่ดี อยามีความสุขก็คิดดีอย่างเช่นว่าเนี่ยเรามาฟังธรรมที่เนี่ยที่บ้านจิตสบายเนี่ยบางทีเรามาฟังทีไรเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอ่นะฟังธรรมะไม่ค่อยรู้เรื่องเลยฟังทีไรก็ไม่รู้เรื่องสักทีเราก็คิดว่าเออแม้เราฟังธรรมะไม่รู้เรื่องมันก็ยังเป็นบุญนะเนี่ยดูข้างข่าวสิฟังพระสวดเนี่ยฟังรู้เรื่องเลยนะ ตกลมาตายยังเกิดบนสวรรค์เราฟังธรรมไม่รู้เรื่องแต่เราก็ได้มาฟังธรรมบุญเกิดจากการฟังธรรมน่เห็นไมโอ้เราสบายแนละ้วรู้สึกสบายใจรู้สึกดีขึ้นมาเลยแม้เราฟังไม่รู้เรื่องเดี๋ยวตอนเที่ยงเราก็มีอาหารฟรีทานนโอ้สบายยิ่งมีความสุขมีกําลังใจที่จะฟังแบบไม่รู้เรื่องก็ได้ การฟังธรรมะเนี่ยถ้าเราฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยต้องเป็นทุกข์ไหมโอ้ยธรรมดามีหลายอย่างบางทีเราก็ฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกันให้เรารู้สึกแต่ว่าอ๋อนี่เราฟังไม่รู้เรื่องไอ้ที่เรารู้ว่าเราฟังไม่รู้เรื่องนั่นแหะเพนั้นรู้เรื่องดีมากเลยเป็นแก่นแท้ของการปฏิบัติธรรมะเลยโอ้ยนี่เราฟังไม่รู้เรื่องเรารู้แล้วว่าเราไม่รู้เรื่องนั่นแหละ คือสุดยอดในความรู้เรื่องแหละทั้งหมดเรื่องการพูดทั้งหลายก็เพื่อจะให้เรามีความรู้สึกว่าเรารู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่มากระทบเราถ้าเราฟังทํามารู้เรื่องแต่เราหลงเข้าไปในความรู้เนี่ยก็สู้ฟังไม่รู้เรื่องแต่เรารู้ตัวเราไม่รู้เรื่องเนี่ยอันนี้ดีกว่านะคะแนนสูงกว่าอันนี้คือส่วนที่คิดดี คิดดีแล้วมีความสุขสบายจิตเมื่อคิดดีเนี่ยผมใช้แบบนี้บ่อยใช่ตองเคยจินที่คิดดีลายมันก็ดีทุกเีื่อดีทุกเรื่องไอเรื่องที่ไม่ดีแม้มันลุพลิกกลับมาเป็นดีได้ถ้าเรารู้จักจคิดมาเป็นนิสัยของจิตถ้าเราอยากจะให้มีความทุกข์เราก็คิดในสิ่งที่ไม่ดีดูสิโอเราเป็นทุกข์มากเลย เช่คิดสิ่งที่ไม่ดีคิดแล้วหนักอกหนักใจทวงจิตทวงใจไม่ต้องหวังแล้วว่าจะได้ความทุกข์หรือไม่มันได้อยู่แล้วในตัวคิดนั่นแหละคิดมองโลกในแง่ร้ายคิดมองโลกในแง่ร้ายเนี่ยมาอยู่ปัจจุบันเนี่ยฟังธรรมะก็ไม่รู้เรื่องเสียเวลาเนี่ยสู้ไปเดินห้างดีกว่าเนี่ยเริ่มแล้วก็ลุกปึป๊บกลับไปเลย ทุกแต่เริ่มคิดแล้วแล้วออกไปก็เป็นทุกแถมไม่ได้กินอาหารฟรีทุกซ้อนทุกเลวขาดทุนมากเราต้องจากวิธีคิดเราคิดยังให้มีความสุขก็คิดได้มันอย่างกับทีวีมันยังมีหลายช่องให้เราเปลี่ยนนะโอ้ช่องนี้มีกีฬาไม่ชอบเบือ่ออช่องนี้มีการเมืองไม่ชอบอีกแล้วช่องนี้มีการ์ออารตูนก็ไม่ชอบเป็นของเด็กเด็ก โอ้ช่องนี้มีละครค่อนอย่างชั่วเนี่ยมันเลือกได้นะเนี่ยรีโมทเนี่ยรีโมททีวีมันเปลี่ยนช่องทีวีได้แล้วก็ต้องมีสติเปลี่ยนช่องจิตใจรู้จักคิดในช่องที่เราชอบเราจะได้มีความสุขกับการใช้ชีวิตแบบไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะ <c oughs> แกคิดไม่ต้องลงทุนเลยนะใช้ธรรมชาติเนี่ยปรับตัวมันเองมันก็มีความสุขได้ ต้องเลือกเราต้องเลือกคิดในสิ่งที่มันดีๆคนมีสติมีปัญญาจะเลือกคิดสิ่งที่ดีๆคิดแล้วบาดจิตบาดใจไม่รู้จะเลือกคิดไปทําไมนะเปลี่ยนเถอะเราคิดในแง่ไม่ดีมามากแนละ้วเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เราเวลาทานอาหารก็ยังเลือกทานอาหารที่ดีๆเลยนะ อาหารกายใช่ไหมเ้าเลือกสิ่งที่ดีๆต้องอร่อยต้องปูกใจขมๆก็ไม่เอา <c oughs> เรายังเลือกได้เลยอาหารกายแล้วอาหารใจอาหารใจนี่มันน่าเลือกมันต้องเลือกอาหารใจก่อนถ้าใจดีๆเนี่ยกินอะไรก็อร่อยนะกินยามันก็อร่อยนะอร่อยแบบยานะ วางใจเลยโอ้ยานี่อาหารทิพ์กินเข้าไปแล้วมันสดชื่นทํามันรู้ไม่ชี้เอาละท่าตินางท่าติ่งทา่ทาติ่งทา่าสีกินทาตินะ้ํำปึ๊บก็ไปเลยของโอ้สดชื่นพอมันผ่านลงคอไปแล้วก็มันก็ไม่รู้รสละสบายแล้วนะเราตั้งทา่าแบบนี้เพระโอมันกินยาอะไรก็อร่อย ไม่ใช่ว่าโอ๊ยขมเหลือเกินไม่ไหวมองยาในแง่ลายแล้วกินทีไรบ้างยังไม่ทันกินเลยรู้สึกว่าพระอ่นพระอมวางใจมันถูกต้องไม่ใช่เป็นการหลอกตัวเองนะเป็นการเห็นความจริงที่เราต้องทำในสิ่งนั้นต่างหากไม่มีใครเอายามากินเล่นนะ กินยาเพื่ออะไรเพื่อเป็นประโยชน์กับตัวเราเราไม่เคยมองตรงประโยชน์เลยเรามองตรงที่โอนี่เป็นประโยชน์สำหรับเราเราก็จะลืมไอ้ความคิดทินสิ่งที่ไม่ดีต่างๆออกไปกินแล้วมันเป็นประโยชน์นริก็กินแล้วเดี๋ยวรอดูผลเดี๋ยวดูผลออกมาดีมากเลยตอนนี้ไม่เป็นไรเรากิ้ก็ไปเดี๋ยวโอ้ผลออกมาดีต้องเลือกอาหารใจก็ต้องเลือก อาหารใจคือความคิดอาหารกายก็คืออาหารข้างนอกตัวไปทานเข้าไปอะไรมีประโยชน์ก็าทานเลือกได้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตคิดแล้วมีความทุกข์โอ้ก็อย่าไปคิดมันเลยอดีตมันก็ผ่านไปแล้วอย่าไปอะไรอาวอ น, อนาคตมันก็ยังมาไม่ถึง มันเป็นความเพอ้อฝันไฟฝันมันไม่ใช่เรื่องจริงหรอกเนเฉพาะหน้าเนี่ยโอ้นี่คือของจริงอยู่กับปัจจุบันอยู่กับของจริงอยู่กับชีวิตจริงๆคือชีวิตที่ปัจจุบันนอกเหนือจากปัจจุบันชีวิตไม่จริงแั้วนั่น่ะเป็นความคิดทั้งหมดอ่ะมันต้องเริ่มต้นจากปัจจุบันก่อนทีนี้ถ้าเราจะไปสู่อนาคตเราก็ เริ่มต้นจากปัจจุบันคิดไปในอนาคตเรื่องการวางแผนจะดีกว่าเรายือนอยู่ปัจจุบันนี่ยมันเรายืนถูกหลักแนละ้วยืนถูกที่แล้วยืนมั่นคงลแล้วแล้วก้าวไปก็จะมั่นคงกว่าและก็มั่นใจกว่าไม่ใช่ปัจจุบันนี่จิตเราไม่อยู่ตรงนี้เลยนะเซไปเซมาเราก้าวไปได้มีสิทธิ์ล้มได้ต้องตั้งมั่นในปัจจุบันให้ได้ เราจะเริ่มก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจแล้วก็มั่นคงด้วยความคิดเราก็เป็นอย่างนั้นแหละเริ่มต้นจากปัจจุบันแล้วก็คิดไปข้างหน้ามันจะเป็นระเบียบระบบเหมือนเรายือนอยู่กับปัจจุบันเนี่ยยืนตรงนี้ก้าวไปแต่ละก้าวเนี่ยเราก้าวด้วยความมั่นใจไม่ล้มไม่เตะเคยมียติธรรม ไปเรียนที่ญี่ปุ่นเขาโทรมาปรึกษาปัญหาโอ้เขามีความทุกข์มากความทุกข์ก็เนี่ยทําให้เขาเนี่ยเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องอยู่ก็ไม่มีความสุขนอนก็ไม่ค่อยหลับมีเรื่องร้ายอย่างเนี่ยที่เกิดขึ้นในอดีตมากมายแล้วเขาก็มาคิดคิดคิดเขาก็เล่า มาทางโทรศัพท์เรารก็ฟังไม่ได้จับเองอ่ะมีคนจับโทรศัพท์ให้มีขาใหม่เราก็สบายเลยนะคนจับก็ขยับแล้วขยับอีกแล้วเราก็ฟังให้เขาได้ระบายจำมาเลยว่าเราอยากจะช่วยเพื่อนของเราเนี่ยที่เขามีความทุกข์หรือใครก็ตามคุณพ่อคุณแม่เรารับฟัง เราฟังในสิ่งนี้เขาพูดออกมาบางอย่างเขาต้องการระบายระบายถ่ายเทของเสียเราก็ไม่ใช่กระโจน <c oughs> เราไปพูดที่ช่วยเหลือเขาเป็นช่วยเหลือก็ทําให้เขาได้ระบายความทุกข์มาแต่พอระบายสักพักมันนานเข้าเนี่ยเรื่องมชนแ่จบวนเข้าที่เดิม <c oughs> เราต้องตัดโฆษณาซะบ้าง ห, หนังมันเข้าที่เดิมมันตัดบทโฆษณา ไม่งั้นมันก็ฉายเรื่องเดิมอยู่แหละเราก็เบื่อที่จะดูเริ่มเข้าตั่วหัวเรื่องเก่าแล้วอ่าฟังอะมาปรึกษาเราแต่ไม่ให้เราพูดเลยนะเราก็ไม่รู้จะปรึกษาเราตรงไหนแล้วก็พยายามจะแทรกแทรกไม่ได้เพราะจังหวะไม่มีโฆษณามาันกําลังสนุกฟังมาสักพักหนึ่งพอเขาอ่าระบายทุกจนพอเพียงแล้ ว, ลวอันนี้เราก็พูดมา ตอนนี้ไอเรื่องที่เกิดทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่เมืองไทยโ อ, โอ้เรื่องทั้งหลายอยู่เมืองไทยแต่ว่าเรื่องอดีตทั้งนั้นเลยเนี่ยเรื่องเมืองไทยเขาระบายแต่เรื่องอดีตก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องอนาคตรหรือปัจจุบันอ๋อเรื่องเกิดขึ้นที่เมืองไทยเลยและตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ญี่ปุ่น เราลองลืมตาไปรอบรอบๆตัวที่ลืมตาดูว่ารอบตัวเรามีอะไรเนี่ยมันอยู่ในห้องเขาอยู่ในห้องนั้นเรื่องทั้งหลายในเมืองไทยปัจจุบันเขาอยู่ญี่ปุ่นเออเอาแผ่นดินไทยไปทับแผ่นดินญี่ปุ่นมันก็หนัก <c oughs> <c oughs> กันเกาะก็เล็กๆแค่นั้นนะให้เราดูว่าเราอยู่ที่ไหน ปัจจุบันนีอยู่ที่ไหนญี่ปุ่นและเรื่องทั้งหลายอยู่เมืองไทยมันผ่านไปแล้วอย่าไปคิดเอากลับคืนมามันผ่านไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้แล้วเพียงแเราเริ่มต้นได้ในปัจจุบันท่านเองลองลองมีชีวิตอยู่ปัจจุบันสักหน่อยสิเราจะได้มีความสุขบ้างเข า, าปัจจุบันอยู่อย่างไรยืนไรปัจจุบันก็สงสัย ก็ลืมตาดู ว, ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอยู่ญี่ปุ่นอ๋อเนี่ยเริ่มรู้แล้วว่าเราอยู่ปัจจุบันนเราจะทําอะไรนะพยายามรักษาจิตให้อยู่กับปัจจุบันเอาไว้โดยการมีสติควบคู่ไปกัการใช้ชีวิตของเรา <c oughs> เขาก็เป็นผู้ที่สมองไวเขาจาวิธีเหล่านี้ไปใช้ <c oughs> แล้วสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่มันเกิดขึ้นจากอดีตเนี่ยมันก็จะ ลบเลือนไปแม้มันจะไม่หายไปหมดเกลี้ยงก็ไม่เป็นไรนะแต่ปัจจุบันก็ช่วยให้ได้ผ่อนช่วยผ่อนช่วยคลาย ด, ดีกว่าเราคิดแต่เรื่องอดีตตลอดเวลามันก็เผาจิตเผาใจให้เป็นทุกข์อย่างตอนนี้ถ้าเรานั่งอยู่นี้กายอยู่นี้ใจยอยู่ตรงนี้กาลังฟังธรรมอยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่กับปัจจุบันเรื่องเลวร้วายทั้งหลายมันก็ไม่เกิดขึ้นหรอก ความทุกข์ไม่เกิดเมื่อเราวางจิตอยู่กับปัจจุบันได้เราอยากจะมีชีวิตที่มีความสุขก็ทําจิตให้อยู่กับปัจจุบันให้เป็นปัจจุบันเนี่ยมันมีความสุขที่แท้จริงการบรรลุธรรมก็บรรลุธรรมที่ปัจจุบันการเข้าถึงธรรมก็ที่ปัจจุบันถ้าอยู่กับปัจจุบันเมื่อไหร่แล้วก็ ความทุกข์ทั้งหลายมันไม่เกิดขึ้นแถมยังมีความผ่อนคลายมีความสุขซ้วยซเพราะฉะนั้นอย่าลืมอย่าลืมรู้ตัวลงที่ปัจจุบันเอาไว้เป็นการปฏิบัติได้ทุกขณะเลยสติจะเกิดขึ้นได้แต่เมื่ออยู่กับปัจจุบันนะถ้าหลุดจากปัจจุบันเมื่อไหร่เราก็สติไม่เกิดละมันก็หลงไม่คิดก็หลังจากนั้นก็จะมีผู้สูงวัย ก็มาหาผมเรื่องแบบนี้นะอันนี้อันนี้มีระดับกว่าอาจจะเป็นอายุมากกว่าแปดสิบสามปีนะอายุแปดสิบสามไปที่ชมรมไปที่ชมรมเพื่อนคุณธรรมอายุแปดสิบสามนะเป็นผู้ชายมีลูกหลานพามามาจะมาคุยพูดธรรมะคุยธรรมะปรึกษาธรรมะกับผม ถ้าผมรู้นะอายุ83เนี่ยอยู่ข้างล่างเนี่ยผมจะลงไปหาเลยไม่เดินลงไปนะจะลงไปหาดีกว่าท่านอายุ83ขึ้นมาหาเราเนี่ยโอ้เราให้เกียรติมากผู้สูงไฟที่มาฟังธรรมมาปรึกษาธรรมเนี่ยผมชอบคุยนะชอบคุยกับผู้สูงวัยนะขึ้นมาปรึกษาว่าเขาเนี่ยอายุมากแล้วอายุต้อง83แล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บมากมาย ทวันเนี้ยอยู่ได้ก็เพราะว่าลูกหลานคอยดูแลแล้วก็มีคุณหมอช่วยรักษาเขากลัวมากกลัวว่าก่อนจะตายเนี่ยเขาจะไม่มีสติเนี่ยกลัวแบบมีระดับนอยนะปรึกษาปัญหาแบบมีระดับนะเนี่ยเพิ่เริ่มเห็นภยนัยในวตาสงสารแล้วกลัวตายอย่างไม่มีสติโอ้นี่มีสาระมากเลย เขาอยากจะใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน อ, อยู่กับทุกวันเนี่ยให้มีความสุขจะอยู่อย่างไรแล้วเขาอยากจะเจริญติแบบเคลื่อนไหวตามแนวหลวงพ่อเทียนด้วยอยากเจริญติแบบเคลื่อนไหวสิบสี่จังหวะเขาคงจะฟังซีดีอยากผมมานะแล้วเขาก็มาปรึกษาโอ้ยเราเดี๋ยวที่หาน้ำให้ดื่มก่อนเลย ได้ดื่มน้ำก่อคุณลุงดื่มน้ำก่อนนะเนี่ยแขก VIP อพีอแขกแบบ น, นี้ชอบคุยด้วยบางทีอาจจะมีอัตราของท่านที่ไล่เดียงสาเราก็ไม่ถือสาเคยได้ยินให้อัตราไล่เดียงสา <c oughs> ไม่ค่อยมี อ, อนอะไรไม่เป็นไรนะเรายินดีฟังฟังในสิ่งที่เขาพูดก็ธรรมดา คนที่กลัวอย่างมีระดับคือกลัวความทุกข์จากวตาสงสารกลัวภัยกลัวการเกิดนี่กลัวแบบมีระดับนะเรานักปฏิบัติฟังธรรมะบอว่าต้องกลัวแบบนี้อย่าไปกลัวแบบกระจอกทิ้งโจกทุกแกอะไรนั่กลัวแบบไม่มีระดับเอาไว้คนที่เขาไม่ได้ศึกษาธรรมะกลัวกันนะเราต้องยกระดับกลัวการเกิด ถ้ากลัวกลัวจะไม่เกิดเนี่ยในอีกระดับหนึ่งถ้ากลัวการเกิดเนี่ยโอ้นี่ระดับพระอริยะที่เขากลัวกันเลยมันต้องระดับนั้นถึงใจไม่ถึงก็กลัวตรงนั้น ก, นก็ก็ยังได้กลัวการเกิดคนอายุมากเป็นชีวิตขาลงใช่ไหมเนี่ยชีวิตขาลงคือมันจะลงเร็วมากนะชีวิตขาลงเนี่ย คนอายุน้อยเป็นชีวิตขาขึ้นอนยอนหนุ่ม น, นะอายุน้อยๆเนียน่ยชีวิตขาขึ้นชีวิตขาขึ้นนี่มันก็ช้าหน่อยนะเห็นขึ้นเขาไหมขึ้นเขานี่ช้ามากแต่ลงเขานี่มันจะจะกลิ้งเลยเด็กน้อยวัยรุ่นเป็นชีวิตขาขึ้นผู้สูงวัยเนี่ยเป็นชีวิตขาลงมาพูดตรงๆคือว่าเด็กมันกลงกังจะโตอ่ะ แต่ผู้ใหญ่กําลังจะตายก็ต้องคิดนะะต้องคิดต้องรู้สึกคิดว่าเราต่อไปเราทําอย่างไรเนี่ยเราจะใช้ชีวิตแบบเนี้เราจะไม่ได้อะไรเลยตายไปก็ไม่ได้อะไรจะโวแต่ทําบุญให้ทานอย่างเดียวก็ไม่พอแล้วทาบุญให้ทานอย่างเดียวไม่พอแล้วบางทีเราไม่มีสติแม้ทําบุญให้ทานมากมายแค่ไหนก็ตามเนี่ สติไม่เกิดตอนก่อนจะตายเนี่ยมันก็ช่วยไม่ได้นะ <c oughs> มันต้องมีสติเนี่ยปูทางเอาบุญเอาทานเข้ามาตอนก่อนจะตายคือสติต้องเป็นยานพาหนะขนส่งกุศลทั้งหลายมาตู่จิตใจเพราะนั้นท่านก็เลยกลัวแบบนี้เราก็โอ้คุยดีเลยคุยชอบเรื่องแบบนี้ เนี่ยก็ปลอบใจท่านบอกไม่เป็นไรหรอกอายุเท่าไหร่ไม่สำคัญถ้าใจเราตั้งมั่นว่าจะทำสิ่งที่ดีสุดในชีวิตแล้วก็ไม่สายเกินไปเดีางน้อยก็เห็นประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติธรรมฝึกภาวนาฝึกสติบ้างก็สอนให้เจริญสติในชีวิตประจำวันนะ อยู่ยังมีสติอยู่กับปัจจุบันไม่ประมาทอย่าประมาทอย่าไปโกรธฟรีๆอย่าไปทุกข์ฟรีๆอย่าไปคิดฟรีๆให้รู้สึกตัวมาให้รู้สึกตัวเข้าไว้ <c oughs> เวลาตายสติมันก็จะเกิดตอนนี้เรายังไม่ตายนี่ปัจจุบันยังไม่ตายใช่ไหมจะไปกลัวอะไรมันยังไม่ตาย <c oughs> ยังมีโอกาสก็ฝึกสติก็ไปดิ ถ้าคิดว่าเราจะตายเนี่ยปัจจุบันมันหายไปแล้วมันก็ใกล้าตายจริงนะคนคิดว่าจะตายเนี่ยมันตายหลายทีแล้วมันยังไม่ตายความตายอยู่อนาคตดู่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่ตายตรงนี้ตั้งหากที่เราจะพัฒนาตัวเราเองได้ไม่ตายเกินไปสอนท่านเจริญสติในชีวิตประจาวัน ผู้เราก็เอาไปใช้ได้นะยศธิธรรมมีประโยชน์มากคนที่ไม่มีงานทำคนที่ชีวิตว่างเปล่าหรือคนที่มีงานทำมากๆ ก, ก็ไม่ใช่ปัญหานะการจาระสติเนทำได้ทุกที่ทุกเวลาอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการและเวลาทำได้เลยถ้ายังไม่หลับเราก็ทำได้ทั้งนั้นเวลาหลับก็ทำสติไม่ได้ คนไม่มีสติคือคนหลับคนเมาคนสลบคนตายปัจจุบันนี้เราไม่ใช่คนเช่นนั้นการฝึกสติในชีวิตประจำวันนี่ก็ง่ายๆคนทุกคนเนี่ยมีหน้าที่จะเฝ้าตัวอยู่แล้วคนทุกคนก็มีการเคลื่อนไหวทุกคนต้องมีงานทําไม่ใช่ว่าว่างงานงานของเรานี่ไม่ใช่ว่างานข้างนอกอย่างเดียวนะ งานข้างในการดื่มน้ำการทานข้าวการแต่งตัวอาบน้ำกลับถ่ายนี่มันงานของเราตรงนั้นเห <c oughs> ็นว่านี่ไม่ใช่งานแล้ว่แล้วลองไม่ต้องทำดิเู <c oughs> ้สึกยังไงปวดปัสสาวะปวดอุจจาระจะไปเข้าห้องน้ำถ้าเราถือว่านี่ไม่ใช่งานนะงั้นเราก็ไม่เข้ามันไม่ใช่งาน มันเดือดรอนทุกคนมีงานทำมีทั้งงานข้างนอกกันข้างในงานตัวเองมันต้องมีออกกำลังกายเดี๋ยวนี้ก็มีการออกกำลังกายสิ่งทั้งหลายเหล่านี้สามารถที่จะเติมสติลงไปได้ทั้งนั้นเลยเราต้องเคลื่อนไหวอยู่แล้วเราลองเติมสติลงไปในส่วนนี้สักหน่อย เราจะได้ไม่เคลื่อนไหวฟรีๆในอิเลโบต่างๆจะทำอะไรก็ตามให้เรามีความตั้งใจทําสักหน่อยเราเคยมีความตั้งใจไหมเราต้องตั้งใจทําการจะเดินก็ตั้งใจเดินการจะนั่งก็ตั้งใจนั่งการจะนอนก็ต้องตั้งใจนอนเดี๋ยวนอนไม่ถูกที่ถูกทาง ตั้งใจนอนจะยืนก็ตั้งใจยืนจะดื่มจะเคี้ยวจะขับถ่ายแล้วก็ตั้งใจสักหน่อยการตั้งใจนี่แหละคือการตั้งสติละ่ะใช่ไหมง่ายๆเลยนะ่ยตั้งใ จ, งงใจคือการตั้งสติถ้าเราตั้งใจทําอะไรก็ตามนั่นแหละคือการตั้งสติตัวเนี้ยทุกคนต้องทํา และมันจะมีการฝึกสติได้ตลอดเวลาเลยแล้วต้องทําทีละอย่างนะอย่าทำหลายอย่างพร้อมๆกัน ท, ทําทีละอย่างถ้าเราไอ้นี่กท็ทํานู่นก็ทำไม่จับปลาสองมือไม่ได้สักมืออย่าเงี้ยทำทีละอย่างจะทานข้าวก็ทานตั้งใจทานข้าวไม่ทานข้าวไปอ่านหนังสือไปสติจะเกิดตรงไหนไมันจะสับสนมากเลย เดี๋ยวเกิดที่ทานข้าวบางทีถ้าเราไม่ตั้งใจไม่มีที่เกิดเลยนะมันเบลอไปหมดเลยทําทีละอยา่างดูทีวีทานข้าวทีวีก็ไปกินหมดเลยเราไม่ได้กินข้าวเลยจบเรื่องแล้วข้าวหมดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อร่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้ทำสองอย่างมันจะได้หน้าลืมหลังนะ ทำสองอย่างพร้อมกันเนี่ยได้น่าลืมหลังสติก็ไม่เกิดและสับสนจะได้น่าลืมหลังคนที่ขี้หลงขี่ลืมนะเพราะทำอะไรหลายอย่างคิดไปมือก็จับไปไม่รู้สติจะเกิดตรงไหนจะคิดก็เอ่อตั้งใจคิดจะจับก็ตั้งใจสักหน่อยการตั้งใจจับของทีละอย่างเนี่ยมันเป็นการบันทึกภาพท่าด้านจิตใจคนที่ขี้ลืม่านะ จับแว่นตามาก็จะวางก็ตั้งใจวางเป็นที่เป็นทางเดี๋ยวเราไปไหนเราลืมแว่นนึกขึ้นได้้อ๋อมันมีภาพจิตนี่บันทึกภาพอาเรียบร้อยแล้วภาพการวางอะไรมันจะจำได้ลืมได้เป็นไม่ผิดนะสัญญาอนิจจามก็ลืมได้เลยไมส่สัญญาเป็นอัตราที่ไหนแล้ว ม, มันไม่เที่ยงเนะ บังคับไม่ได้บางทีมันก็ลืมแต่ลืมแล้วมันระลึกได้ทันทีเลยเพราะภาพการวางแว่นตามันประทับอยู่ในใจเราจะนึกได้ลืมปั๊บนึกได้ถ้าคนตั้งใจแบบนี้แล้วก็โอกาสลืมเนี่ยหลงลือนเนี่ยมียากมากถึงลืมมันนึกขึ้นได้ถึงตอนนี้นึกไม่ได้ตอนที่เราปั๊บเลยมันนึกได้เองอ่ะเพราะจิตมันจําภาพตรงนี้เอาไว้แล้ว ทำทีละอย่างให้มันเสร็จเองอย่างไปยิ่งดีเดี๋ยวมันจะได้เม็ได้หน้าลืมหลั ง, งนเนี่ยทําอย่างเงี้ยเนี่ยมันยากไหมเนี่ยฝึกสตินี่มันไม่ยากนะเนี่ยตั้งใจทําเท่ากับเป็นการตั้งใจสติตั้งแต่ตั้งสติแล้วก็ทําทีละอย่างทีละมันก็จะไม่ลืมมันไม่ยากนะ ใครว่าการฝึกสติยากเนี่ยผมคัดค้านเลย <c oughs> ความเห็นผมเนี่ยเพราะว่าการเจริญสติมันง่ายกว่าการลุกขึ้นยืนของผมจริงๆทำไปลุกขึ้นยืนเนี่ยมันยากมากแต่ฝึกสติเนี่ยเดี๋ยวเดียว <c oughs> มันง่ายคืออยู่กับความตั้งใจของเราถ้าตั้งใจทําสติมันก็เกิดแล้วมันเป็นพื้นฐานของ การฝึกสติที่ดีเลยเมื่อเราตั้งใจทำเนี่ยคำว่าตั้งใจเนี่ยมันมีสมาธิที่คลอเกเคลียอยู่กับสติเหมือนกันนะเพราะสติมันก็จะพาสมาธิมาตั้งสติมาอย่างเดียวบางทีมันหลุดมันจะพาสมาธิมาตั้งมันเป็นการตั้งมั่นตั้งมั่นในอารมณ์ที่เรากระทำตอนนั้น ได้สมาธิเป็นของแถมง่ายไหมได้สติอย่างเดียวนะสมาธิก็แถมถ้าเราทำต่อเนื่องบ่อยๆเนี่ยสติจะเกิดเป็นอัตโนมัติมันเกิดเองแม้ว่าเราไม่ตั้งมันก็ตั้งขึง้นมาได้กับเราเราฝึกเขาไว้เขาก็จะเกิดขึ้นบ่อยๆบ่อยๆ ความเป็นอัตโนมัติของสติก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆใครเคยลองทำบ้างอ่ะลองดูสิฟังแล้วต้องลองดูแล้วจะรู้ว่าอ้ออ้นี้คุณค่าของสติจริงๆชีวิตเราจะสบายขึ้นคนที่มีสติในยุประจำวันเนี่ยนะใจมันจะเย็นนะ ใจิตใจจะเย็นแล้วก็ไม่เบื่อนะคนที่คีดเบื่อลองตั้งสติทําอะไรทั้งวันมันไม่เบื่อเพราะมันมีอะไรทําไอ้ที่เบื่อเพราะเราไม่มีอะไรทำใช่ไหมถึงทําก็ทําแบบอย่างนั้นแหะถ้าตั้งใจปั๊บเนี่ยโอ้ชีวิตทั้งหมดรวมอยู่ที่การกระทําทั้งหมดเลยแล้วมันมันเป็นเป็นบุญทุกวันนะเ้าเรียกบุญลายวันเลยนะเนี่ย เราเก็บเกี่ยว บ, บุญทุกวันเลยบุญเกิดจากการจารสติเนี่ยเรียกว่าบุญจากการภาวนาผู้เจ้าสอนตรงนี้ถ้าไม่มีการภาวนาเนี่ยผู้เจ้าไม่จาเป็นไม่ต้องตัดสรุกลลยตัดสรุมาเพื่อสู่จุดนี้นะให้เรามีการภาวนามีการปฏิบัติมีสติมีสมาธิมันจะเป็นวิปัสสนาได้ต่อไป ได้บุญทุกวันถ้าเราไม่ตั้งสติทํางานเนี่ยสติไม่เกิดเนี่ยความหลงมันจะเกิดนะถ้าความหลงเกิดแล้วก็มันก็พาไปทางหลงๆ น, นะนะสติเกิดก็พาไปทางรู้ๆนะมันไปคนละทางกันคนจรรสติในชีวิตประจาวันเนี่ยจะมองโลกในแง่ดีซีเป็นส่วนมาก จะมองโลกในแง่ดีถึงสิ่งนั้นจะเลวร้วายผ่านมาก็เปลี่ยนกลายเป็นดีได้เพราะสติเนี่ยเป็นส่วนที่เป็นกุศลถ้าจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมันก็จะคิดในส่วนที่ดีๆทางนั้นเราก็มีความสุขแล้วแถมแบ่งปันให้คนอื่นด้วยมีความสุขคนื่นคนอื่นก็มีความสุขด้วยเนี่ยมัน ถ้ามองด้วในแง่ดีเมื่อไรเราก็เราจะผ่อนคลายเราจะไม่เกลียดกับการใช้ชีวิตหรอกจะผ่อนคลายสนุกชีวิตเป็นเรื่องสนุกไม่ใช่ชีวิตเป็นเรื่องต้องต่อสู้เป็นเรื่องสนุกสนุกทุกวันแล้วที่สาคัญก็คือคนฝึกสติในยุคประจำวันเนี่ยจะรู้ทันอารมณ์ตัวเองจะรู้ทันจิตทันใจตัวเองนะมันคิด ีมันก็รู้ทันคิดไม่ดีก็รู้ทันสังเกตใช่ไหมคนฝึกสติเนี่ยบาปอกุศลนี่ยเกิดบ่อยมากเลยมันเกิดบ่อยเพราะเรารู้ทันไม่ใช่ว่าเกิดบ่อยตอนเราฝึกนะมันเกิดมาก่อนแล้วมอก่อนเราไม่รู้เดี๋ยวนี้เรามีเครื่องมือวัดดูว่าอใจเราเป็นยังไงมันชัดเจนขึ้นมันมันมันเขาเรียกมันตรวจ ตรวจอะไรได้ชัดเจนขึ้นเมื่อก่อนเราก็คิดเยอะบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมปรกสติมันคิดมากเหลือเกินตอนนี้มันรู้แล้วมันคิดมากเมื่อก่อนก็คิดอาจจะมากกว่านี้อยู่ซ้ํำไปนี่สติแย้งไม่ต้องครึ่งนะเมื่อก่อนไม่มีสติแย้งคิดเต็มร้อยเลยนี่เหลือห้าติบห้าติบคิดห้าติบรู้ห้าติบโอ้แล้วบอกว่าเอ๊ะทำไมาเวลาเจอสติมันคิดเยอะเหลือเกินทำไมมันโกรธบ่อย แม้มันทุกข์เยอะโอ้โหมากอดยิ่งอะ น, นี้เดี๋ยวนี้เรามีสติเป็นเครื่องหารเครื่องลบลบไอ้อกุศลทั้งหลายเนี่ยมันลดน้อยลงไปยันใดที่เราคิดเป็นอกุศลเป็นบาปถ้ามีสติรู้ป่ะมันเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนจากอากุศลเป็นกุศลทันทีเดียววัน้อยเราก็ให้การนันสติมากกว่าอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกันแล้วกัน เมื่อเรามีสติกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมสลายไปเห็นเป็นเรื่องของบุญแท้เลยนะมันจะรู้ทันอารมณ์ตัวเองรู้ทันจิตใจตัวเองมันจะรู้จักตัวเองมากขึ้นกับเมื่อก่อนเนเมื่อก่อนว่าเออเรารู้จักตัวเองแล้วไม่ต้องมาบอกเราเรารู้แล้วแต่ยังรู้ไม่จริงแต่ตอนนี้โอ้รู้จริงเนะ ว่าเราเป็นคนจริตแบบไหนรู้จักตัวเองมากขึ้นเราจะเป็นศรัทธาจริตผู้ที่จริตหรือวิตกจริตหรือราคาจริตหรือโทสะจริตหรือโมหจริตเรารู้บางทีเออเราเป็นคนดัดจริตหรือวิคนจริตแต่ดัดจริตกับวิคนจริตไม่มีนะไปหาดูในพระไตรปิดกเราไม่เจอเอาผมมาเติมให้มันสนุกเราจู้รู้จักจริตของเราเป็นคนนิสัยแบบไหน แล้วสิ่งนั้นมันก็จะค่อยๆจางคลายถึงไม่จางคลายเราก็รู้ทันเวลามันเกิดอารมณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นอันนี้เรามีแต่ประโยชน์นะเนี่ยฝึกกันให้ได้บุญแล้วได้รู้จักตัวเองด้วยนะรู้เท่าทันตัวเองแต่มันก็ต้องมีแบบฝึกกันนะเจะแค่รู้ในยุจวันอย่างเดียวมันไม่พอต้องมีแบบฝึกสักหน่อย แบบฝึกที่เราจะใช้ก็คือการระบบการภาวนานี่แหละคือเป็นแบบฝึกอย่างที่เนี่ยเขาก็มีการเจรสติแบบหลกว่าเทียนใช่ไหมหลบว่าเทียนเจรสติเน่ะิบสี่จังหวะเนะที่นี่มีใช่ไ้มละ่ะเนี่ยแต่ว่าเราก็พูดได้ไปบางที่ไม่มีเราก็ไม่ค่อยกล้าพูดเดี๋ยวเขาไม่เข้าใจนที่นี่ก็มีหลกว่าเทียนนะ ถ้ามีเรื่องความรู้สึกตัวเราก็ต้องมีหลวงว่อเทียนถ้าที่ไหนมีความรู้สึกตัวไม่มีหลวงว่อเทียนเนี่ยล้าสมัยมากต้องมียกมือสี่ีจังหวะผมก็นิยมนะชอบการเจรติแบบเคลื่อนไหวสี่ีจังหวะเนี่ยหลวงว่อเทียนเนี่ยแต่ว่าไม่ไปเสพวิธีอื่นทุกอย่างเป็นวิธีทางนั้นเป็นวิธีการทางนั้น่หลวงว่อเทียนบอกว่า การรู้กายเคลื่อนไหวเนี่ยยังไม่ใช่ตัวปฏิบัติตัวปฏิบัติคือไปเห็นจิตที่มันคิดนั่นคือตัวปฏิบัติเพราะนั้นไปเห็นจิตที่มันคิดนั่นแหละมันเป็นตัวปฏิบัติทแท้จริงไม่ว่าจะวิธีไปไหนก็ตามให้ไปเห็นจิตที่มันคิดนั่นแหละเห็นความคิดเห็นกิเลสที่มาความคิด พวนี้ล่มันเป็นตัวปฏิบัติที่สามารถที่จะละเหตุของความทุกข์กับตัวสมุทัยได้ไหนใครไม่เคยยกมือสิบสีจังหวะบ้างยกมือสิอ๋อไม่เป็นไรนะไม่เคยนะถูกแล้วล่ะเพราะเราไม่ได้ทําอ่ะถ้าเราเคยทํามามันก็เคยมันก็ไม่ผิดนะนะนีน่จะให้พระคุณเจ้าเนี่ยยกให้ดูนะนะพระคุณเจ้าต่างกั ฝึกเจริญติในหลุกพระเทียนสิบีจังหวะเนี่ยท่านเป็นคนจีนท่านศรัทธาในพุทธศาสนาโดยเพราะการเจริญติแบบเคลื่อนไหวในหลุกพระเทียนัน่นบวชยุปยาสุกโตแปดเดือนแล้วปฏิบัติ ด, ดีตั้งใจปฏิบัติเอาเรื่องเดียวถ้าไมาบา่บรรลุธรรมไม่กลับเมืองจีนตีตัวขาเดียวนะ ท่านมีสิทธิที่จะกลับหรือไม่กลับก็แล้วแต่ตัวท่านแล้วต้องเ <c oughs> ต้องเด็ดเดี่ยวขนาดนั้นนะเาเรียกว่ามอบกายถวายชีวิตตั้งใจมากบวชอยู่ที่วัดปาสุกโตเพราะนั้นหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านก็คิดแบบวิธีการเคลื่อนไหวมาเพื่อเป็นการกระตุ้นจิตให้มันตื่นถ้าจิตไม่ตื่นเนื้อกิเลสมันจะตื่น ถ้าจิตตื่นแล้วก็มันออกมาจากอารมณ์ทั้งหลายถ้ากิเลสตื่นแล้วก็มันก็เป็นใหญ่เหนือจิตใจเราการลูกกายที่มันเคลื่อนไหวสิีิจังหวะนั้นนะท่านบอกว่ามันเป็นอุบายทำให้สตินี่มันตั้งมั่นคาว่าตั้งมั่นคือมีสมาธิอยู่อุบายให้สติมันตั้งมั่น เพื่อจะไปเห็นความคิดเพื่อเห็นไเพื่อจะเห็นความคิดเป็นผลการเคลื่อนไหวรู้สึกตัวสติรู้กายเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นแค่เหตุเหตุนำไปสู่การเห็นความคิดหลวพ่อเสียงต้องการอย่างนั้นเมื่อใครฝึกสติดีแล้วท่านบอกอ้าบไปดูความคิดเลยก็ได้คาว่าดีแล้วนะ ถ้าดีแต่ยังไม่แล้วนี่อย่าเพิ่งไปดูนะมันเสี่ยงต้องดีแล้วคือผ่านผ่านความหลงไปแล้วจิตมันตื่นมาแล้วไปดูความคิดต้องทําตรงนั้นเป็นอุบายนั้นในการเคลื่อนไหวการดูวิธีอื่นต่างๆเนี่ยมันก็เป็นแค่อุบายเพื่อจะไปเห็นจิตใจถ้าไปไม่ถึงจิตแล้วก็เท่ากับไปไม่ถึงไหนอเพราะฉะนั้นคนที่ ไม่ไแบบเคลื่อนไหวสี่จังหวะเนี่ยมันช่วยกระตุ้นสี่จังหวะเนี้กระตุ้นกระตุ้นธาตุรู้ให้มันตื่นตืนอยู่นิน่งๆเนี่ยมาจะเผลอหลับเผลอหลงแล้วไม่รู้กระตุ้นเนี่ยมันตื่นไว้เนี่ยผ้าที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยมันทําให้มันทําให้บีบทําให้เรารู้สึกตื่นตื่นตื่นตื่นรู้ตื่นรู้ตื่นรู้ การมีสติรู้กายก็คือสติปัฏฐานนะนะมันมีในในหลักทาคาสอนด้วยสติปัฏฐานสสติปัฏฐานสสติรู้กายกายนั่นคือฐานเอาไปเป็นฐานทีสีมันตั้งรู้คาว่าตั้งรู้ไม่ใช่กาไปแทรกที่ฐานตั้งรู้ คือต้องอยู่บนฐานกลายเป็นฐานนีตั้งรู้อย่าลืมนะถ้าอยากจะเป็นวิปัสสนาหรือเป็นสีปถาแล้วก็ต้องตั้งรู้อย่าหลงเข้าไปในกายไปรู้เฉยๆต้องตั้งรู้ต้องรู้แบบตั้งดูข้างบนด้วยเราจะได้ไม่ตกเป็นท่าของกายเวลามันเกิดเวทนาทุกเวทนา ต้องตั้งรู้ตั้งรู้อะไรรู้ที่กายก่อนต้องให้มันชัดเจนสติรู้กายเนี่ยเป็นสติปัฏฐานที่รู้กายต้องให้มันชัดเจนถ้าไม่ชัดเจนเนี่มันไม่ตั้งมั่นจริงๆเนี่ยมันหลายไปกับความคิดได้ง่ายในเวลาเราพลิกมือรู้ยกมือรู้ฐานกายเนี่ยคือเคลื่อนไหว ฐานจิตคือรู้จิตทำหน้าที่รู้เนี่ยพิกมือรู้รู้รู้รู้สึกรู้ให้เราใช้วิธีการรู้สึกรู้สึกกับการที่มันเคลื่อนไหวจริงๆสัมผัสรู้เป็นเรื่องของจิตลุล้ว น, วนถ้าสัมผัสรู้เรื่องของจิตลุล้ว น, วนถ้าเป็นคิดรู้ <c oughs> คิดรู้นะมันเรื่องของสมองอ่ะเป็นเรื่องของกายแท้ๆเลยไม่ใช่เรื่องของจิตเลยคิดรู้เรื่องของสมองแต่รู้สึกเนี่ยเป็นเรื่องของจิตล้วนๆจิตวิญญาณคือต้องรู้สึกจิตรับรู้สึกถ้าคิดรู้เนี่ยสมองมันคิดแต่ถ้ารู้สึกเนี่ยไม่ต้องใช้ความคิดแต่ถ้าใช้ความคิดว่ารู้เนี่ยมันก็ไม่ใช่จิตแท้จริง มันก็เป็นสมองมันคิดอ่ะมันก็ได้แค่สงบไม่ตื่นจิตไม่ตื่นพอรู้สึกสัมผัสปั๊บเนี่ยพอรู้สึกปั๊บจิตมันจะดีตัวออกมาเป็นผู้รู้ทันทีเลยมันจึงจะเป็นวิปาาัสนาวิปัสนาคือการรู้ดูแล้วก็เห็นเห็นกายที่มันเคลื่อนไหวสัมผัสรู้เป็นยังไง มันบอกไม่ได้เป็นภาษาจิตต้องไปสัมผัส ด, ดูสัมผัส ด, ดูบอกไม่ได้สัมผัสรู้มันต้องรู้สึกรู้ซื่อๆรู้มันบอกไม่ได้หรอกเป็นบอกได้เพราะว่าเราไม่มีการเข้าใจตัวเราจะสัมผัสรู้เอออืมสันติโกธรรมะคือสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้ดยตนเองรู้ได้ตนเองมันบอกไม่ได้ธรามะ จิตสู่จิตไงจิตท่านก็สู่จิตท่านนั่นแหละรู้สึกต้องฝึกนะถ้าไม่ฝึกเนี่ยเราไม่รู้สึกได้เนี่ยทำเนี่ยต่อนเนื่องพอจิตมันเผลอไปแล้วก็มาตั้งรู้ใหม่เผลอไปแล้วก็ตั้งรู้ใหม่เผลอไปแล้วก็ตั้งรู้ใหม่เนี่ยใช่หไหมมันทำให้จิตมีกำลังนะไม่ใช่ว่าเผลอไปแล้วไม่ดีเลย เผอแล้วไม่ดีเผลอจะอะไรไม่ดีดีดเผลอเพื่อจะให้เรามาตั้งรู้ใหม่เผลอเพื่อเรามาตั้งรู้ใหม่ไม่เฉล อ, อแล้วไม่ดีนั่นแหละมันก็ไม่ดีตลอดไปก็เผลอตลอดไปตั้งรู้ใหม่นึกถึงตอนานคนยกน้ำหนักบนะ้ยกครั้งแรกอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งยกบ่อยๆเลยโอโ้แขนมีกำลังเลย เมื่อก่อนผมยกแกงนี้ไม่ขึ้นเลยนะผมว่าสายเคลื่อนไหวบ่อยๆเพราะมันยกขึ้นไม่รู้นะว่าเราได้มีกําลังแขนมาว่าเราพลิกมือเล่นนอนพลิกมือรู้สึกรู้สึก น, น, นิดหน่อยนะี่หน่อยนะเข้าไอ้นิดหน่อยเนี่ยมันจะมีการเพิ่มกําลังเรื่อยๆนะครับยกได้โดยที่เราไม่รู้ตัวนะวันหนึ่งคุยกับคุณพ่อผมอยู่ข้างบนเพราะอยู่ข้างล่างคุยมาเพราะมือเท้าหน้าต่างเพราะว่าอ้าว ยกมือได้แต่เมื่อไรผมก็ไม่รู้ย่าจะแทนเม่อไรรู้อ๋อการเจรติแบบเคลื่อนไหวนี่ทําให้มือเรามีกําลังโดยที่เราไม่รู้ตัวนะเออต่อไปเราก็ใช้มือนี่ได้สบายเลยเมื่อก่อนใช้มือเดี่ยแต่ยกทีก็แต่นี้ยกอาจจะไม่เท่าข้างขวาแต่มันก็แข็งแรงขึ้นมาเป็นการกายภาพตัวเองโดยอาศัยการเจริญสตินี่แหละ นั่นพลิกมือรู้สึกยกมือรู้สึกเนี่ยอย่างน้อยเราไม่รู้อะไรมันได้กำลังก่อนได้กำลังกายแต่เรารู้สึกไปเมื่อไหร่เราก็กาลังจิตมันก็เกิดขึ้นที่เรารู้สึกนั้นมันหลงมันลืมไปไม่เป็นไรหรอกเรามาทาใหม่รู้ใหม่ลืมไปเรามารู้ใหม่ไอ้รู้ใหม่นั่นละมันทาให้ได้อะไรใหม่ๆเป็นชีวิตใหม่เป็นปัจจุบันใหม่ด้วยอย่าไปกลัวความหลงความเบือนะ ให้มันเกิดเถอะเราจะรู้มันเกิดเถอะเราจะรู้เกิดอะไรจะรู้ทุกทีมันต้องแบบนั้นให้โอกาสความหลงเขาบ้างแต่เราก็ไม่ให้พลาดแล้วก็ใช้โอกาสของเราคือรู้ซะหลงเมื่อไหร่ก็รู้เหมือ น, นั้นว่าเขียนว่าเปลี่ยนหลงเป็นรู้เนี่ยหลงปั๊บเปลี่ยนมารู้สึกรู้สึกเราก็จะมีกําลังคนที่ออกกําลังกายอะ พอก้าวขาจึ๊กเดียวแล้วก็จบไม่ใช่ต้องก้าวบ่อยๆถูบ้านให้สะอาดต้องถูบ่อยๆมันก็สะอาดเห็นสติต้องตั้งอยู่ที่กายแบบชัดเจนสักหน่อยไม่ถึงว่าให้มันมั่นคงสักหน่อยมันจะได้ไม่งอนแงันคลนแกเวลาเจอความคิดเราจะได้หวัวลอยเยะความคิดก็ได้ ชีหน้ามันก็ได้เฉยๆไม่รู้ไม่ชี้มันก็ได้แต่ ว, ว่าเรามีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่บนฐานกายเรียบร้อยแล้วถ้าทำตรงนี้ไม่สาเร็จเนี่ยลองไปดูจิตเลยดิมันจะเหลวตั้งนั้นแหละเพราะเรามันมีหลงอยู่กับความคิดอยู่แล้วใช่ไหมหลงอยู่กับจิตอยู่แล้วเราต้องพยายามแยกออกมาเนี่ยมาสร้างภูมิรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวของกายกับฐานที่ตั้งของเราคือกาย ตอนี้มีอยู่ว่าเราจะทําอย่างไรที่จะรู้กาให้ต่อเนื่องกันนานๆจะทําอย่างไรจะรู้กายให้ต่อเนื่องกันนานๆการต่อเนื่องในเรื่อเป็นการปฏิบัติที่ได้ผลเร็วมงคนบอกจะทําไงปฏิบัติจเจริญติให้ได้ผมเร็วก็รู้ให้ต่อเนื่องตีรู้ต่อเนื่องตียก ก้ามยกต่อเนื่องอยกแปบบ๊บสักพักยกใหม่ไม่ได้ต้อง๊ยกบังคับอดทนขยันเพียรเดี๋ยวมันก็มีกําลังเองทาให้ต่อเนื่องตอนนี้คนเราไม่ค่อยต่อเนื่องใหม่ๆทําไม่ได้หรอกไม่มีใครทาต่อเนื่องเดี๋ยวมันถูกความคิดแย่งเอาไ ป, ถ, าาไปถูกความคิดเกียดแย่งเอาไปถูกความม่วแย่งเอาไปถูกความ ท้อแท้เบ็นอะไรแย่งออกไปสงสัยแย่งออกไปใหม่ๆนี้ทุกคนนะอย่าไปกัวงวลเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราสะสมสิ่งเหล่านี้มามากบางทีก็ความอยาก ม, มันได้เลยเลยมันได้เลยเลยเนะี่ยมันก็เลยอยากจะเลิกเนี่ยความอยากจะเลิกเนี่ยมันเป็นธรรมดานะจิตของคนเราเนี่ยไม่อยากทําอะไรซ้ำซ้ำซากๆอะ่ะใช่ไหม ไม่อยากคิดเรื่องเดิมซ้ำซากจิตเป็นอย่างนั้นนะไม่อยากซ้ำซากหาเรื่องหาเรื่องมาทำอย่างอื่นเปลี่ยนยบบทเรื่อยเขาจะเปลี่ยนเรื่อยใจสังเกตนะเวลาเราคนที่ฝึกปฏิบัติฝึกภาวนาเนี่ยมันจะขยันตรงนั้นนะขยันตอนที่เราปฏิบททัติทรเนะ่ตอนที่เราภาวนาตอนที่เราจเจริญสติเนี่ย ไม่แยกขยันไปฏิบัตินะขยันไปทําอย่างอื่นหาเรื่องทําอย่างอื่นถ้าขยันไปปฏิบัติก็ดีนะมันโชคดีนั่นที่ขยันตอนนั้นน่ะโชคดีมากแต่เราบักเราไอ้นั้นยังไม่เสร็จพยายามหาทางออกจากลานจงกรมเราออกจากที่ปฏิบัติไปทําอย่างอื่นปิดหน้าต่างก็ยังดีปิดกอ๊อกน้ําก็ยังดีเปิดตู้เย็นแล้วก็ปิดก็ยังคือมันจิตมันจะหาเรื่องที่ออกไปอย่างนั้นนะ่ะ มันดิ้นรนกังวนกวายมากไม่มีอจิตใจชอบของเดิมๆ เ, เก่าๆดูทีวีก็โฆษณาหน่ยเปลี่ยนช่องแล้วยังไม่ทันจบเรื่องแล้วเปลี่ยนช่องเลไม่ได้ทนดูเปื่อยช่องอื่นคือไม่อยากจะดูโฆษณาไม่อยากจะรอเวลารอคอยไม่ได้โฆษณายาวนานเหลือเกินเปลี่ยนไปช่องอื่นแล้วเปลี่ยนกลับไปกลับมาก็นั่งเปลี่ยนอยู่นั่นแหละมันจิตมันไม่อยาก ทำอะไรเดิมๆซ้ำๆจิตใครเป็นอย่างนั้นไหมผมก็เป็นนะไอ้ที่พูดได้เพราะผมเป็นมาก่อนทต่นี้เราต้องอาศัยความเพียรอาศัยความอดทนนั่นละ่ะคือตัวมารคือตัวกิเลสเนี่ยถ้าเรามองใหม่ๆนะต่อไปมันคือตัวปัญญานะสร้างให้เราเกิดปัญญาเพราะตัวที่เรา อพยายามเบี่ยงเบนจิตออกจากอารมณ์กรรมฐานนั่นแหละถ้าเรารู้ทันเมื่อไหร่เกิดปัญญาเมื่อ น, นั้นแต่แม่ต้องฝืนก่อนต้องอดทนทําต้องอาศัยความเพียรอันนี้ไม่ใช่เป็นความเพียรธรรมดานะมันเป็นความเพียรระดับอ่าอะไรเรียกธรรมะ เ, เรียกอาตาปีอาตาปีคือเพียเพรเผากิเลสให้ร้อนกิเลสร้อนแต่เราไม่ร้อน แต่ถ้าเราต้องทตามแต่แล้วเราเรา้อนเลยเฮโอ้โหนี่มันอยากไปไม่ไปนี่กิเลสมันร้อนมันอยากจะไปไม่ไปต้องทําต่อไปต่อไปเรื่อยๆต่อเ น, นื่องเรื่อยๆเนี่ยกเรกกิเลสมันร้อนแต่เราไม่ร้อนเรารู้ทันกิเลสเนี่ยอาตาปีคือเผากิเลสที่ร้อนนี่เป็นความเพียรที่เป็นกุศลไม่ใช่เพียรหาเงินเพียร ไปรอคอยการแจกของเพียนไปดูนหนังนะุอันนั่นเป็นความเพี่ยนที่ไม่อาตาปีเป็นเพียนธรรมดาไปสู่อกุศลก็ได้แต่เพลียนอาตาปีเนี่คือขยันทำขยันเจริญสติขยันสร้างสติเนี่ยก็เลยเป็นความเพียนที่เผากิเลสให้ร้อนเพื่ออะไรเพื่อจะละไอ้ความยึดมั่นถือมั่น อารมณ์ที่เราไม่ชอบใจนะให้จิตเป็นปกติแค่ว่ากันนะสติปัฏฐานสี่ใช่ไมต้องมีอาตาปีสติมาสัมปชัญโนวินัยยะโลเกอภิชาโทมณ ต, ตะคือมีความเพียรในการเจริญสติแล้วมันจะเกิดสัมปชัญญะคือความรู้ตัวทั่วพร้อมเพื่อจะละ ความพอใจไม่พอใจในโลกเอาเสียได้ในโลกคือจิตใจเราเนี่ยโลกจิตใจเราเนี่ยโลงความคิดโลกของอารมณ์ต่างๆเนี่ยในโลกคือที่จิตใจเราเดีย๋ยวว่าในโลกข้างนอกเท่าไหร่นเลยใจเราต่างหากที่มันรับเอาความพอใจไม่พอใจชอบมัง่งไม่ชอบมัง่งเบือบบ่อมั่งอยากบั่งเนี่ยคือมีสติรู้ทันแล้วก็ละสิ่งนั้นซะ ต้องทำให้ต่อเนื่องอย่างผมนี่ยบางทีก็ท้อแทนนะทําใหม่ๆเออนยกว่าอ่ะเรามันประเภทสุนัขจนตรอกทอมอะไรก็ทุกเหมือนเดิมนะั่นมันไปไหนไม่รอดมันต้องเพียนอย่างเดียวเพียนเพื่อจะทําเพื่ออะไรเพื่อจะหาทางดับทุกให้สิ้นทุกเอาความดับทุกเป็นเดิมพันโอ้เดิมพันเรามันสูงมันแพงต้องเอาตัวเองมาเลยพยายามขยันอยู่จุดเดียวเนี่ยมันต้องอย่างนั้น เพราะมันไปไหนไม่ได้เบื่อก็ต้องนอนอยู่กระเตียงขี้เกียจก็ต้องนอนอยู่กระเตียงมันติดเตียงเหมือนคนติดคุกมันประมาทไม่ได้ต้องทำจุดเดียวเราเลวไหลมามากแล้วจับจับจดจดเดี๋ยวทำเดี๋ยวไม่ทำเสร็จแล้วก็ต้องมาทำทุกทีอะขี้เกียจก็ต้องทำกัมันเบื่อก็ต้องทำถ้าเราจะต้อต้องฝืนแบบนี้เพราะไม่มีทางเลือก ก็โชคดีของคนพิการอย่างเงี้โยโจมอะไรดีนะขี้เกียจก็ไปได้เบื่อก็ไปได้นะ อ, อช่วยไม่ได้นะอย่ากเกิดมามีบากดีก็เงี้ยแล้มันโชคดีไอ้ความทุกข์ความเดือดร้อนตาเนี่ยบางทีมันช่วยเรานะแต่เราไม่เคยเห็นมันเลยเรามีแต่รังเกียจมันไม่ชอบมันแต่มันช่วยเรามาก ถ้าไม่มีวันนั้นนะอาจจะไม่มีวันนี้ก็ได้อยู่มาตั้งสามสิบห้าปีอยู่มาได้อย่างไรพลังก็ไม่ค่อยมีไ้ <c oughs> อยู่มาได้เนี่ยอาศัยสิ่งของนี้มันช่วยให้เราเออเนี่ยเราเป็นการเรียนรู้ทั้งหมดเลยอยู่เพื่อเรียนรู้อยู่เพื่อหากาไรชีวิตรอเวลาต้องเพียนตรงนี้หน่อยทำให้มันต่อเ น, นื่อง <c oughs> ฝึกนานๆ น, นะ ถ้าเราฝึกนานๆานยกมือสร้างจเจวะเคลื่อนไหวนี่สติจังหวะนะพอจิตมันห ล, มหลุดไปก็ตั้งรู้ใหม่หลุดไปตั้งรู้ใหม่เนี่ยมันจะเหลือแบบนี้นะถ้าตอนนื่องจะเหลือว่ามีชีวิตเรามีแต่แค่รู้กับเคลื่อนมีรู้กับเคลื่อนนะอ๋อชีวิตนี้มีรู้กับเคลื่อนเคลื่อนคือกายรู้คือจิตมีรู้กับเคลื่อนแล้วมันสลายตัวตนไป ไปแบบโดยที่เราไม่รู้ตัวก็มีแต่รู้กับเคลื่อนเขาเรียกแยกกายแยกจิตแยกรูปแยกนามก็ได้มีรู้กับมีเคลื่อนพอดูรู้เคลื่อนบ่อยๆเนี่ยนี่คือผู้ที่ต่อเนื่องสักหน่อยรู้และเคลื่อนสักหน่อยรู้บ่อยๆเนี่ยมันจะมีมือที่สามมาแทรกก็มีคิดอีกอันนึ่งแต่ว่ามันเลี่ยงไม่ได้แล้วความคิดน่ะ พอ ร, รู้กับเคลื่อนมีสองอย่างต่อไปมันจะมีคิดเข้ามาแทรกแล้วก็รู้ตันโอ้มันมีมือที่สามมันมีคิดเนี่ยเพราะว่าเมื่อรู้กับเคลื่อนเนี่ยจิตมันจะเริ่มละเอียดจะเริ่มใสต่พอมีคิดเข้ามาแทรกปับ๊บมันจะเริ่มทำให้จิตมันขุนอ๋ออันนี้คือสิ่งแปลกปลอมนะไม่ต้องทำอะไรเราก็จะมารู้คิดเลย มันจะให้ความสนใจที่แขกมาใหม่มากกว่ามันมีเสน่ห์มันจะวางอารมณ์ของกายชั่วคราวไปสังเกตความคิดมันมาให้เรารู้เองโดยที่ไม่ต้องไปหารู้ที่ไหนเมื่อจิตเราว่างปกติแล้วเนี่ยมันจะมีสิ่งแปลกปราแล้วเจนชัดเจนชัดเจนอ๋อสิ่งนี้มันคือส so ิ่งที่มาปรุงแต่งที่หลังเมื่อรู้ทันคิด เมื่อเห็นคิดเมื่อแล้วก็เป็นวิปัสนาแล้วจิตเห็นคิดเนี่เป็นวิปัสนาโอ้ชีวิตเรานี่ไม่ใช่มีแค่รู้กับเคลื่อนมันมีรู้กับคิ ด, ดอีกเออมันวางมันวางกายไว้ชั่วขณะหนึ่งจะรู้มันแค่ 20% บนะมันจะการก็รู้คิดสัปิปเซนตอันนี้คะแนนสูงกว่าเพราะกิเลสมันมาความคิดความยึดมั่นถือมั่นมาความคิด มันจะมีรู้กับคิดเออพอตรงนี้แล้วก็คุยปรัสนาก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆมันยากไหมยากตรงที่ฟังเนี่ยนะแต่ลองทําดูสิผมรับรลอมันง่ายมันง่าย <c oughs> มันง่ายที่เราเออได้ทํามันยากเพราะเรายังไม่ได้ลองทําดูอย่าเพิ่งเรียกติเหลือทั้งกโกรนเนี่ยเป็นศัตรูสมัยก่อนนะติเหลือทั้งโกรน อย่าเพิ่งติให้มันขุดเรือให้แต่ตะก่อนโอ้มันไม่ใช่ที่เราติไว้ลองทำดูเนี่มีบางคนมาปรึกษาโอ้มันทำแล้ว ม, มันเห็นมีอะไรเลยมีแต่ความคิดมีแต่ความหลงมีแต่ความอยากบวชมาแล้วหนึ่งปียังยังไม่มีสติเลยทำไงจะมีสติอันนั่นละคือกระบวนการทำให้เกิดสติต่งนั้นนะ่ะ ความคิดความหลงความอยากนั่นแหละคือกระบวนการที่เรารู้ทางนั้นแหละเราจะทําให้มีสติทําให้มันสงบบ่บยอยๆเงี้ยพยายามทําให้แดง ใ, ใจเราเนี่ยทําให้ถูกใจเนี่ยเราไม่รู้จักคําว่าอนัตตาหรอกอนัตตาคือความบังคับบัญชาไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือธรรมชาติที่มันปรากฏแต่เราจะยึดแบบทวนกระแสมันคิดกูไม่อยากก็มันคิดมันก็เป็นทุกข์ค่ะเด้เล่ไปยึดมั่นถึงมั่นในอารมณ์ที่มันเกิดขึ้น ก็รับรู้รับทราบเอาไว้แล้วปล่อยให้มันผ่านไปจะรู้จักคำว่าอนัตต า, าอ่อนี่มาข้าบัญชาไม่ได้เนาะถ้าเราให้ถูกใจเสมอเนี่ยเราไม่รู้จักอนัตตาเลยนะเราจะเกิดปัญญาได้อย่างไรล่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นแหละคือสิ่งที่ถูกต้องแต่สิ่งที่อยากให้มันเป็นนะสิ่งที่ถูกใจมันไม่ใช่ ความถูกต้องมันง่ายมันถูกกว่าความถูกใจถูกต้องก็โอ้นี่มันเป็นอย่างงี้เลยเนี่ยโอ้อย่างนี้เลยม่นถูกแล้วถูกแล้วเราจะรู้ว่าอ๋อสิ่งนี้บันมคับบัญชาไม่ได้แต่ปฏิบัติอะไรอยากให้ส ง, งบอยากให้มีสติอยากมันได้ตามความอยากก็อยากนีพผ่านแล้วก็หมดเรื่องหมดหลา่าไม่ต้องมาปฏิบัติบางคนก็ปฏิบัติพ็เริ่มต้นปฏิบัก็กลัว กลัวมันจะคิดกลัวมันจะหลงกลัวมันจะเพ่งกลัวมันจะผิดเออไปกลัวอนาคตแต่ปัจจุบันหลงกลัวยังไม่รู้ตัวซะอีกไอ้ที่หลงกลัวในปัจจุบันมันยังไม่เกิดขึ้นแต่หลงกลัวก็ไปแล้วไอ้ที่กลัวจะหลงนั่ะคือหลงกลัวให้มันหลงมาสิเราจะรู้ให้มันดูเนยให้มันหลงมาสิจะรู้ให้มันดู มันต้องกล้าๆอย่างนี้แหละมันหลงดิจะรู้อะจะหลงถ้าความหลงไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดความรู้ไหมเราจะเห็นถูกได้ก็ต้องมองโอ้นี่มันผิดเนี่ยโอ้นี่มันถูกอย่าไปกลัวมาวันน้าทีนี้การวัดผลนี่ง่ายๆก็คือเราต้องรู้จักเี่รู้จักเปรียบเทียบว่าระหว่างความรู้สึกตัวกับความหลงลืมตัวเนี่ยมันต่างกันอย่างไร นะ ใ, ในความรู้สึกนะอย่าไปความคิดนะอ๋อเรารู้สึกตัวแล้วเป็นอย่างนี้อ๋อหลงนุงตัวเป็นอย่างนี้มันต่างกันอย่างไรพวกนี้นะจ ะ, จะเจริญสติดได้ง่ายแล้วก็จะไวอย่างเช่นตอนนี้รู้สึกตัวใช่ไหมโอ้มอกี้หลงเห็นไหเริ่มอ๋อความหลงคือความไม่รู้สึกตัวนี่มันจะเริ่มรู้ต้องเรียนรู้เปรียบเทียบว่าระหว่างความรู้สึกตัวความหลงนุ่มตัวเนี่ย มันต่างกันอย่างไรโดยความรู้สึกเออเราจะเข้าถึงตรงนั้นได้ง่ายมากคือความรู้สึกตัวไดง่ายมาแล้วเมื่อมันหลงไปแล้วก็ทิ้งไปเลยนะอย่าไปดึงกลับมาทิ้งเลยแล้วก็รู้ใหม่หลงแล้วก็ทิ้งไปแล้วก็รู้ใหม่ไม่มีใครดึงอดีตเข้ามาสู่ปัจจุบันได้หรอกมันหลงแล้วก็เป็นอดีตไปแล้วดับไปแล้วเกิดดับไปแล้วก็รู้ใหม่สิ ยังดึงกลับมันเป็นไปได้ไหมนาฬิกาเดินไปแล้วดึงกลับทาไม่ได้มันก็เอาใหม่ก็รู้ใหม่รู้ใหม่ชีวิตเรามันเดินแต่ข้างหน้ามันไม่มีการถอยหลังก็รู้ใหม่จิตดวงใหม่จิตมันเกิดดับดับแล้วมันเกิดดับแล้วมันเกิดก็ไม่ใช่จิตดวงเดิมหลงคือจิตดวงเดิมที่มันดับไปแล้วก็รู้ใหม่สิ แล้วก็ใส่ข้อมูลที่รู้ใหม่รู้ใหม่การใส่ข้อมูลนั้จิตมันจะจําได้ว่าโอ้มันต้องรู้มันต้องรู้ใส่ข้อมูลไปเลยมันต้องรู้มันก็รู้เนี่เป็นเทคนิคที่เราจะวัดตัวเองได้ว่าเราพัฒนาแค่ไหนเราแบ่งแยกได้ว่าอ๋อเราลืมตัวไปอย่างนั้นนะลูกตัวเป็นอย่างนี้นะต่อไปจิตมันจะเดินมาสู่ความลูกตัวเพราะเราใส่ข้อมูลตัว อ, อยู่แล้วมันจะไปขีดคะแนนนี่เรื่อยๆ รู้สึกตัวทีไรก็เกิดเกิดสติเกิดปัญญาทุกทีอันนี้ผมสอนคุณลุงเขาอันนี้มาเล่าสู่กันฟังพวกเราก็จำเอาไว้ใช้ดูนะนี่คุณลุงกลับมาหนึ่งปีนะไปฝึกอยู่หนึ่งปีนะกลับมาหาอีกเออยังไม่ตายกลับมาบอกปฏิบัติมาแล้วนะ ผมก็ไม่ถามอ่ะโอ้คุณลุงเป็นยังไงบ้างระบายดีไหมโอ้มีความสุขดีแต่มาปฏิบัติทำอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยยากจังเลยมันปฏิบัติยากอแต่ก็าพยายามทำแต่มันก็ยากแล้เราก็ฟังก็ฟังเหตุผลก็ให้ท่านอธิบายอะไรต่างเราเป็นผู้น้อยก็ค่อยก้มพนมก่อนลําบากเสียก่อนค่อยสบายเมื่อปลายมือก็ฟั ง, งนั่นก็เล่าโอเนี่ย อัตราที่ได้ดิงสาเยอะไม่ค่อยมีเหตุมีผลเราก็ไม่เป็นไรนะนีเพราะฉะนั้นคนลูกหลานที่ดูแลผู้สูงวัยนะท่านมีอัตราที่ได้ดิงสากลับไปเป็นเด็กคิดแบบเด็กไม่ค่อยมีเหตุมีผลก็จะไปเอาเหตุเอาผลเอาน่ะปล่อยท่านอย่าไปเอาเหตุเอาผ ล, ล, นะลยาวถูกอภิกรรท่า น, า ป, าาลาาานปล่อยท่านเป็นอย่างนั้นเถอะดีแล้วท่านคุยกับเราเราก็อย่าให้ผลไปกบเกินจนท่านต้องเสียหน้าเสียตา รักษาใจทนไว้ก็ฟังหรออ๋อคุณลุงทํายากเลยไหนลุงทําให้รู้ทำยังไงคลิกมือโอ้ทาดีเลยนะแสดงว่านี่ไปไปฏิบัติมาสี่จังหวะแม้ทําดีอย่างเลยนะเราบอกว่าลุงพลิกมือลุงรู้สึกไหมรู้ยกมือรู้สึกไม่รู้เอามือเข้ารู้ไม่รู้เวลาลุงเดินเนี่ย ลุงเดินไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรเวลาลุงเกิดความโกรธลุงรู้บ้างไหมรู้แล้วมันยากตรงไหนแล้วลุงเนี่ยก็ผมถามหลายลุงว่าลุงรู้ทุกทีอ่ะมันยากตรงไหนอ่ะม ไ, ไม่เห็นมันจะสงบไม่เห็นมันจะมีสติมากเราก็รู้เลยอ๋อมันยากตรงที่อยากได้ผลอ๋อมันยากตรงที่อยากได้ผลการจะทําแล้วก็ตามเนี่ยอยากได้ผลนี่มันยาก แต่การสร้างเหตุที่มันง่ายใช่หมยกมือรู้สึกง่ายมากเลยมันยากเพราะเราอยากจะได้ผลเหม็นจะได้ผลเหม็นมันสงบเห็นมีสติเหม็นมันรู้อะไรเลยนั่นมันเป็นผลผลมันต้องมาจากเหตุแต่ทำเหตุนี่ไม่ยากหรอกลุงยาวผละลรเจ้ามีสติเอาจิตมันสงบสักหน่อยเอาลงพลิกมือรู้สึกม่รู้มีสติอย่างมี แล้วมันคิดอะไรไหมไม่คิดอะไรโอ้จะเอาอะไรแล้วผลมันเกิดที่ปัจจุบันนี่แหละผลอยู่ที่ปัจจุบันพลิกมือรู้สึกมันก็เป็นผลอยู่แล้วในตัวยกมือรู้สึกก็เป็นผลเยอะในตัวตอนนั้นมีทุกข์ไม่ไม่ไ ม, มีตอนรู้สึกนี่ไม่มีทุกขออ์ส ง, งบไม่ส ง, งบปฏิบัติไม่ปฏิบัติแล้วจะเอาอะไรไอ้ข้างหน้านี่บางทีเรา เราตายก่อนเราไปไม่ถึงนะแต่ตรงนี้เราได้แล้วธรร ม, มะต้องมีสามอย่างนะที่ว่าเป็นบทธรร ม, มะที่แท้จริงอะ่ะต้องมีสันติโกมีอาการิโกมีปัจจตังใช่ไหมสันติโกคืออะไรพระธรรมเป็นสิ่งที่ปู่ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นหน้าด้วยตนเองอาการิโกนี่ไม่จำกัดเวลานี่พลิกมือรู้สึกปั๊บ เห็นแล้วได้แล้วยกมือรู้สึกก็ได้แล้วได้ผลไม่ประกอบด้วยการเวลาทำปั๊บได้ปุ๊บเลยและสิ่งของเนี้ยเป็นปัจจิตตังคือรู้ได้เฉพาะตนไม่มีใครรู้ได้ว่าเรารู้สึกหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยถามเมื่อกี้ลุงบอกว่าลุงรู้ไม่รู้ปัจจัตตังนะผมไม่รู้ว่าลุงรู้หรือเปล่ายกมือรู้ไหมรู้มันเป็นทั้งสัตติโกอาการิโกแล้วก็ปัจจตังเลย เนี่ยแสดงว่าใช้ได้แล้วเนี่ยโอ้ได้กำลังใจไม่ใช่หลอกไม่ใช่หลอกให้ดีใจนะมันเป็นเรื่องจริงแต่ว่ามันเป็นอะไรเส่นผมบงผังภูเขาพลิกมือแล้วรู้สึกก็ใช้ได้แล้วมีสติแล้วปัจจุบันแล้วได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยเอาไงได้บุญแล้วเราอย่างไรรู้สึกตัวแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันมีความหมายระดัหลอมมาก มันทําให้เราได้เครดิตของสติของจิตที่มันบริสุทธิ์ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะนั้นพวกเราลองทําแล้วอย่าคิดว่ามันไม่ได้เลยเลยมันได้ถ้าลองทําดูสิเราต้องการอะไรฝึกสติมันก็ต้องได้สติเหม็นมันดับทุกเลยแล้วตอนนั้นมีทุกตรงไหนอ่ะมันมีปัจจุบันไหมมีปัจจุบันอยู่แล้วในตัวเราต้องรู้ด้วยตัวเราเองอย่าไปถามคนนี้เรา อะไรหรือยังโถเราต้องรู้จักตัวเราเองมีกิเลสมากน้อยแค่ไหนจำไว้เลยว่าหลักการลงพ่อเทียนเนี่ยอย่าอยู่นิ่งๆให้เคลื่อนไหวไว้หยุดนิ่งมืไรแล้วก็มันก็จะคิดเรียกความคิดเอาไปกินหยุดเคลื่อนไหวเพื่อจิตมันตื่นรู้ไว้เสมอเสมอไม่แค่ความคิดจเจาะไปกินนะจิตมันตื่นรู้ตื่นรู้ี่ความคิดเข้ามาแทรกเราก็รู้ทันมันได้ แล้วก็ต้องทำแบบไม่หวังผลนะถ้าหวังผลเมื่อไหร่แล้วก็มันจะเกิดความคิดทันทีเลยจะมีความกังวลมีความสงสัยอย่าไปหวังผลท ำ, ทำเหตุเธอททำเหตุให้ถูกต้องแล้วก็มากเพียงพอแล้วก็ผลมันไม่ต้องไปหาแล้วมันเกิดขึ้นแล้วที่เราสร้างเหตุเราต้องอะไรหาผลที่ใกล้กล ทาราจารู้ท่านบอกว่าคนดีค้าใกล้คนบ้าบ้าค้าไกลเนี่ยผลอยู่ตรงเนี้ยอย่าไปมองไกลถ้ามองไกลเมลื่อก็โอ้ชีวิตนี้ยาวนานนักคนทานียาวนานนักแต่ปั๊บตรงนี้มันได้ทันทีมันสุขทันทีมันไม่ทุกข์ทันทีเหมือนกันนะเพราะนั้นไอการจริตสติเนี่ยมันง่ายเป็นวิธีที่ง่ายมากเลย เพราะทุกคนเนี่ยมีกายมีจิตและมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาอย่างน้อยเรานั่งเฉยๆมันก็มีลมหายใจที่เคลื่อนไหวก็รู้ได้ถึงนอนป่วยแบบกระดิกนิ้วไม่ได้เลยขยับตัวไม่ได้เลยก็จะมีลมหายใจมีการเคลื่อนไหวถ้ายังหายใจอยู่นี่ก็รู้สึกตัวได้ทั้งนั้นแหละนั้นโอกาสเรามีถึงเตียงเลย จงหวะจะถึงเมนหมดโอกาสนะโอกาสอยู่บนเตียงก็ปฏิบัติได้นี่ผมเนี่ไปไหนไม่ได้นะก็เจอบนเตียงอย่าไปอ้างว่าโอ้เราทุกข์มากทุกข์มากนั่นแหละต้องรีบปฏิบัติทุกจะได้น้อยลงคนว่าเออแม้เรากิเลสมากกิเลสมากยิ่งดีเจิตสติไหวมันควบคุมกิเลสได้ไม่ให้มาก ป่วยตอนนั้นไม่ได้ป่วยนั่นแหะถูกที่แล้วละ่ะถ้าตอนป่วยเนี่ยไม่เตรินติเนี่ยแล้วตอนตายจะทําอย่างไรเออดูสิงานเยอะงานเยอะที่ดีมันจะได้มีสติกับการทํางานแล้วมีความสุขการทํางานเนี่ยไม่ไปกดดันคนรอบข้างด้วยมีเวลาไหนที่มันไม่ดีไห <c oughs> นลองอ้างมาสิเออ <c oughs> มันมีโอกาสทั้งนั้นแหละ คือว่าเราจะช่วยโอกาสหรือให้ความสำคัญมันมากน้อยแค่ไหนคน mm hmm. บอกโอ้เราป่วยแล้วเกินร่างกายไม่แข็งแรงแล้วผมก็ทำอะไรได้ผมก็ยังนอนอยู่บนเตียงผมยังปฏิบัติได้บางคนบอกว่าก็อาจารย์ไม่มีครอบครัวไม่มีงานทําก็ปฏิบัติได้สออิดูถูกความทุกข์ของเรา <laughs> เออผมไม่เป็นไร คนที่เขาไม่เห็นด้วยกับเราเราต้องสูภาพ่าเขาให้มากเราต้องแม่ไม่เป็นไรแนละ้วถ้าเราไปโกรธเขาเนี่ยเราแย่แบบเขาอีกโอไม่เป็นไรคนที่เราเห็นความเห็นไม่ตรงกับเรานะต้องสุภาพมาเขาสูภาพให้มากๆอ่อนน้อมให้มากมากแล้วเขาก็จะเชื่อเราวิธีการมัดใจคนไม่ใช่มัดได้รวดได้รวดมัดไม่ได้ มัดด้วยไหมโอ้มัดติดนั้นการเจรติเนี่ยทำได้นะเนี่ยเรามีกายเคลื่อนไหวเรามีจิตใจที่รู้อยู่เราทำได้ทำได้ทุกสถานที่และทุกเวลาเนี่ยเวลาปล่วยไข้ก็ทำได้ถ้าเราคิดจะทำขึ้นมาเนี่ยฝึกได้แม้แต่หน้าที่การงานอยู่กับการงานก็ฝึกได้เพีงเยงแต่ว่าเรา รู้เต่าตาันกลายที่มันเคลื่อนไหวหรือเต่าตาันจิตใจที่มันคิดนึกก็เป็นการปฏิบัติแล้วแล้วก็ไม่ต้องหวังผลอะไรแร้วผลมันเกิดขึ้นอยู่ทุกครั้งที่เรารู้สึกตัวนั่นแหละหลวงพ่อเทียนบอกว่าพลิกมือรู้สึกตัวครั้งหนึ่งเนี่ยได้บุญมากกว่าสร้างโบสถ์หนึ่งหลังด้วยซ้ำไปสร้างโบสถ์หนึ่งหลังยังมีโรคกดหลงนะ <c oughs> แต่พี่มึงรู้สึกปั๊บเนี่ยโลคกดหลงไม่มีนะเนี่ยหลวงพ่อ เ, เทียนกล่าวไว้อย่างนั้นแม้ว่าปัจจุบันเรายังไม่เห็นผลไม่เป็นไรหรอกยังมองไม่เห็นผลยังหาไม่เจอไม่เป็นไรหลวงพ่อ เ, เทียนบอกว่าก่อนจะตายเนี่ยสองถึงห้านาทีเนี่ยสติมันจะเกิดในตอนนั้นเนี่ยเราเราอดเปรี้ยวไปกินหวานตรงนั้นก็ได้เนี่ยรู้จักมองเนี่ย ตอนนี้ไม่เห็นอะไรไม่เป็นไรเราสะสมเอาไว้เถอะสะสมทีละสลึงทีละบาทเนี่ยไม่ช้าก็เต็มอมสิงล้วก็สะสมสติไปเรื่อยรู้สึกไปเรื่อยนิดหน่อยนิดน่อยวันหนึ่งนิดหน่อยเนี่ยต่อไปมันก็มากขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยสุดท้ายเวลาเราก่อนจะตายมันก็จิตอาจจะตื่นตอนนั้นก็ได้บรรลุธรรมก่อนสิ้นใจก็ได้มันไม่แน่แล้วเพราะจิตคนเราเนี่ยมันมันคลิกนิดเดียวเนี่ยมันสว่างโล่งเลย ทุกคนมีโอกาสบรรลุธรรมได้ทุกขนาดจิตหนึ่งจิตเดียวบรรลุธรรมได้สว่างทุกคนมีโอกาสเท่ากันแต่เราจะฉวยโอกาสหรือปล่อยโอกาสตรงนันไปเริ่มตั้งแต่วันนี้ปัจจุบันนี้และ ว, วันต่อไปมันก็จะเป็นการสะสมไปเรื่อยๆใครอยากถามอะไรไหมหลวงพ่อเทียนบอกว่าคนที่อยากถามคนที่อยากไม่รู้นะ มีท่านใดมีคำถามโปรดยกมือนะครับใครอยากฟังพระคุณเจ้าแชร์ประสบการณ์บ้างไหมตนพูภาษาไทยไม่ค่อยชัดนะตนพูภาษาอังกฤษชัดมากเป็นอาจารย์สอนภาษ า, ษาอังกฤษระดับชั้นครูเลยคือตะท่าจำใจกว่านะาท่านพูดมาแล้วเนี่ยบางคนอย่ากอิจฉาแล้วก็อยาใจสลายนะเพราะท่านปฏิบัติดีมาก มอที่ฉาสนใจสลายก็มีนะเนี่ยคนต่างชาติทามนสนใจทรมาเนี่ยผมก็จะอาศัยอาศัยคุณก๊อปเนยช่วยนะช่วยแปลภาษาอังกฤษตั้งไหนไม่ยาวไม่ยา ว, ยาวพร้อมไหมอ่ะมาช่วยช่วยกันบ้างนะเพื่อวันที่อาจจะใช้ประโยชน์ได้ประโยชน์นขยก็อยากฟังยกมือโอ้ผมต้องรีบไปแล้วนี่ <c oughs> ลองฟังดูนะบางทีอาจจะได้ประโยชน์มากอย่างน้อยก็เป็นกำลังใจว่าคนต่างชาตินับถือศาสนาพุทธอยู่เมืองจีนเขายัางอุตสาหดันโดนมาเมืองไทยเพื่อมาปฏิบัติธรรมตรติในหลวงพ่อเทียนขอกราบอาราธนานิมนต์พระคุณเจ้าครับท่านชื่อท่านท่านจีมาท่านจีมาเจนพงพ์ This is basically the only Thai I'm gonna speak <laughs> at certain <this> point. <laughs> um, my name is Jima, and uh, I was born in China. When I was 18, I moved to Canada to study, and uh, became a Canadian after I stayed in Canada for 11 years. Um, then I'm a n now. I'm in Thailand. <laughs> ผมใจต้นแพ่ต้องอาศัยคุณ่นชื่อจีมาเกิดที่เมืองจีนแล้วก็ตอนอายุสิบแปดไปเรียนต่อที่ประเทศแคนาดาครับแล้วก็ตอนนี้ก็สนใจพุทธศาสนาตามอาจารย์กำพลมาศึกษาอยู่ที่วัดป่าสุกโตด้วย The reason I came to Thailand and become a monk Is uh, I follow Ajahn Kampon. Uh, last year, Ajahn Kampon g had a meditation course in China, and I joined the course. ท่าไปรู้จักอาจารย์กัมพลเมื่อปีที่แล้วที่อาจารย์ไปเปิดคอร์สฝึกเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมท่านก็เลยตามอาจารย์กัพลมาจากเมืองจีน Before I met Ajahn Kampon. g Uh, my life is pretty good. <laughs> my life s pretty, pretty good. My family is uh, not wealthy but not poor, <laughs> and uh, I have very easy job. I work as a English teacher in China in the private school. My hour salary, my hour salary is 700 baht per hour. It's very easy. I just Chat with you. <laughs> I don't need to do anything. I I charge you money. l า f e of that before meeting the teacher was <laughs> a comfortable life. I had a าย b I was a teacher. My salary was 700 baht per hour. I was a teacher of English in China. But my mind is, um, is a, like a leaf. Blown by the wind, the wind is my gile. It's like my gile. h t My Like a wind. Like a wind. Like a wind. Like a i l e a w l e l i e a wind. Like a wind. l i k a n d a i d a w i l i w i l e a l e a l a l e i i a n a d a i w i l l e a กิเลลก็จะหลอกว่าถ้าไปอยู่ที่แคนดาชีวิตก็จะมีความสุขดีอยู่แล้ว When I was in Canada I feel cold ตอนอยู่ที่แคนดาก็หนาวมากเอ่เลล tell me, oh, you go to China, very easy job and uh, very good money and you will be happy ก็จะบอกว่านั้นกลับไปเมืองจีนจะได้ไปทํางานที่ง่ายๆแล้วก็มีความสุข It's easy, huh? It's my job is easy but boring. I feel boring. But Than, y o feel that the job is easy but i n g i s e l me, y o t r i n a r l i e e y Kid s t e l l me, "Oh, uh, you don't have a girlfriend. Find a girlfriend. Uh, you'll be happy." s t e l l n me, "Oh, you don't have a girlfriend. Find a girlfriend. You'll be happy." t you have a girlfriend. w a girlfriend. o be happy." d e i n h a v e a girlfriend. g f i h a t g h t a v e a girlfriend. e o t "Oh, have a f i n d a g be h a s t e i h a v e a girlfriend. a f i o h t e l l t h e i e I, I have everything. I have everything. I have car. I have a house. I have a job. I have a girlfriend. Except happiness. ท่านก็มาสรว่ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างบ้านงานแฟนแต่ว่าขาดอย่างเดียวคือความสุข And I met A: าจารย์กัมพแล้วก็มาพบอาจารย์กัพล He has nothing. ท่านไม่มีอะไรเลย But uh, only happiness. But มีความสุขมา So that's why, okay, I'm going to follow him. ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจว่าจะตามอาจารย์มา Come to Thailand, uh, eight months. <laughs> ม um, าเมืองไทยแเดือนแล้ว h มีความสุขมาก Maybe I will share one experience. Uh, Compare my first uh, as a first monk, my p r a t t i c e and p r a t t i a m right now. So from my experience, uh, um, tell t h experience. In the beginning, as a new monk, I practice in r a p a s u k a d o l Um, I actually have a lot of suffering in my mind. ตอนเดือนแรกๆที่ไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสุกโตก็จะมีความทุกข์ทางใจเยอะ The reason is that um, I put value in sati only I put value in sati only and sometimes I have sati and s a m a t h i and I think oh I'm I'm good. good i n good I'm good I'm good I'm happy for myself very happy And sometimes I don't have sati. I d r a g by the k o n k p the thinking. And sometimes I'm the l o n e and I blame myself a lot. Oh, why don't you have sati? Took, took, took. A lot of suffering. And my my mind is not p o k a t i Go up, down, up, down, up, down. Every day. When you h a v e sati, you will have h a p p i e When you have sati, ปฏิบัติไม่ได้ดังใจมีมีหลงไปบ้างก็จะทุกข์ชีวิตจิตใจมันก็เลยมันขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆใช่ But I practice every day but my mind is not ปกถึงแม้จะฝึกทุกวันแต่จิตใจมันก็ไม่ปกติ And อาจารย์กัพง teach me That ah มีสติมีหลม is ธรรมชา Is the nature? What is the nature? He said, "Oh, do you feel you're good when you see a sunny day? You don't. Do you feel? Do you blame yourself when you see a raining day? You don't. Why? Because it's tamasha." ก็อาจารย์กำพงก็สอนว่าการที่สติมีมีขึ้นมีลงเป็นธรรมชาติ เหมือนเหมือนกับว่าเราจะไปโทษว่าวันนี้แดดออกหรือว่าฝนตกก็ไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติอย่างนั้น So right now when I practice when I lose a dua sometimes I have study sometimes I don't have study but I accept it's ธรรมชาติ it doesn't mean h uh, it doesn't mean okay I accept and I follow my no? g <laughs> i e l i n e it's accept and I come back to ตอนนี้ท่านก็ยอมรับว่าสติมีเกิดแล้วก็บางครั้งก็มีหลง But but I'm not happy when I have s a t i I'm not upset when I don't have s a t i อ๋อต่างกับตอนแรกที่ว่าตอนนี้ถึงมีมีสติก็ก็ไม่ไม่ไม่ได้มีความไม่ได้แบบว่าปลื้มใจมากพอถ้าถึงแม้ว่าจะขาดสติก็ไม่จะไม่ได้จะทุกข์ใจเหมือนตอนแรกๆ แ, แ, แล้ว And my mind is ปกติ More than before. s o t s o t h i s is the practice. We have the handbook instruction from Ajahn, and we apply this theory into our daily practice, and we see the result. Ah, the result. I'm not. I had this obstacle, and now I overcome this obstacle. So you you can taste yourself. You can test yourself. It's really improving. Me handbook, me instruction oh, from me, the teacher. มสมุดจกอาจารย์สอน e And you apply this theory into daily life. แล้วก็เอามาจากจากซีดีหรือหนังสือที่อาจารย์สอนก็เอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน And it's really improving and really helpful. อ๋อแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยคือถ้าปฏิบัติก็จะช่วยช่วยในชีวิตจริงจริง And you know this is the right way. แล้วก็คิดว่านี่เป็นทางที่ถูกแล้ว Don't waste time to comparing this handbook or that handbook. I have 20 kind of handbook. Which one is better? Which one is helping for? Waste your time. We'll <laughs> <laughs> waste But if you don't have handbook, it's g o i m e n g t But if you don't have handbook, it's g o e a long time to find the right way. But if you don't have handbook, it's <laughs> g o e a long time to find the right way. t o t a e k e long time to find the right way. But if า o u don't have handbook, it's gonna take a long time to find the right way. โอเคทั t s ทั้งแบบนันเจ้นิ่มปนสาธุเนี่ยหัวใจสลายเนี่ยเป็นโอกาสดีนะเราจะได้มีตัวอย่างเราจะได้เห็นว่าการจิตสตินี่มันช่วยทำให้เปลี่ยนชีวิตคนได้อย่างไรนะเอาแล้วนะเนี่ยก็รบกวนเวลาของยะติธรรมมานาพอสมควรแล้วนะสุดท้ายนี้ก็ขอ ความเจริญในธรรมยาติธรรมทุกท่านเนี่ยจะมีสติมีสัพพัญญะละกิเลสทั้งหลายมีชีวิตที่ดีมีความสุขสิ้นทุกข์ก่อนสิ้นใจด้วยกันทุกท่านทุกคนเถอ